ตอนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนานๆพวกเราได้มาเยี่ยมเยียนแล้วมาวัดวาศาสนามาตามวัดต่างๆเพื่อกราบครูบาอาจารย์วัดต่างๆเป็นการทัศนศึกษาเป็นการ สร้างบุญสร้างกุศลจัดุบแล้วก็คือหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากที่จะมาอย่างนี้ไม่ใช่มาได้ง่ายๆก่อนที่จะมาได้ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกรวบรวมหมู่พวกเพื่อนรวบรวมแล้วอีกแต่ขนาดนั้นก็ยังรุดลุยไปก็มีหลายคนไปก็มีบางทีก็มาพร้อมกันมามีอุปสรรคขึ้นมากระทันหัน แยกมาไม่ได้ก็มีเพราะนั้นการที่จะรวมกลุ่มเป็นคณะขึ้นมาอย่างวันนี้หรือครั้งนี้หรือว่าครั้งที่ผ่านๆมาไม่ใช่ของง่ายที่จะรวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มาร่วมการทาบุญเพราะนั้นวันนี้ได้มานัดแนะกันได้มาร่วมเดินทางด้วยกันเป็นการเสียสละอย่างยิ่ง ทั้งหน้าที่การงานทั้งทรัพ์สมบัติและทั้งการเป็นอยู่สุขสบายที่พวกเราที่อยู่ในบ้านและก็เป็นการเสียสละทั้งหมดการอยู่การกินการไปการมาสะดวกสบายทุกอย่างเราได้เสียสละในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ เป็นการสร้างทางด้านจิตใจเป็นการทำบุญทางด้านจิตใจเรื่องหน้าที่การงานการทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายการสะแสวงหาทรัพย์หาปัจจัย4อันนั้นเป็นเรื่องของกายการส่แสวงหาในทางโลกหาเงินคำทรัพย์สมบัติอันนั้นหามาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงร่างกาย ส่วนที่พวกเรามาสแสวงบุญในวันนี้เป็นการสแสวงให้เป็นอาหารทางด้านจิตใจเพราะนั้นทั้งสองอย่างนี่มันไปคนละทางกันแต่ถึงยังไงก็ทั้งสองอย่างนี้เกืือกุ่นหนุนกันแต่ถ้าว่าคนมีบุญเสียอย่างในการสร้างบุญสร้างกุศลอ น, นุสงท์ทานศีลภาวนาของเราเต็มบริสุทธิ์บริบูรณ การสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติทางโลกก็ไม่ฝืดเคืองไม่เดือดร้อนไม่อัตคัดไม่อับสนจนปัญญาแต่ถ้าว่าคนไม่มีบุญคนไม่ได้สร้างบุญเอาไว้ทําอะไรปิดตันอั้นตู้ไปหมดเพราะเหตุไรเพราะขาดการทำบุญขาดการมีบุญมาก่อนเรายกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก ในครั้งพุทธกาลท่านมีบุญมาก่อนจากนั้นท่านมาเกิดท่านก็มาเลือกเกิดในสถานที่ร่ำรวยเลยไม่ต้องมาเกิดตามสถานที่หาเงินคําลำบากยากๆเขียนเกิดขึ้นมาแล้วคนรวยเลยเพราะเหตุใดเพราะบุญของท่านส่งมาเกิดเพระาะนั้นคนมีบุญไปเลือกเกิดในสถานที่ที่ต้องการได้ แต่ถ้าหากว่าคนไม่มีบุญจะไปเกิดอย่างนั้นไม่ได้ไปที่ไหนคลยๆว่ามีเครื่องกิดกันมีเครื่องปิดกั้นไม่ให้ไปเกิดเปิดโล่งตั้งแต่ตรงไหนที่จะทุกข์จะจนไปเกิดตรงที่จะมีปัญหาขนาดเปิดไปหาตรงนั้นไปเกิดตรงนั้นพอเกิดขึ้นมาก็พอรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องทุกข์แน่ๆเพราะไปเกิดกับคนจนใช่ไหมออันนี้ก็เหมือนกัน่ะคนมีบุญ ดีทุกอย่างถึงจะมีเงินแล้วก็ต้องทําบุญถ้ามีบุญเช่อย่างครบบริบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องหาอย่างอื่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีบุญอันล้นเหลือุ้นเหลือลงมาเกิดก็เป็นผู้มีบุญลงมาเกิดพอเกิดแล้วก็มีแต่เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆประสบความสําเร็จทุกอย่างเพราะชาติเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ อันนี้แหละคือบุญนำส่งผู้ได้สั่งสมเอาไว้ดีแล้วเพราะนั้นพวกเราที่ได้เสียสละมาในวันนี้หรือครั้งก่อ น, ก, อนก็ดีก็มาเพื่อสั่งสั่งสมเก็บพร้อมรอมริบบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสหรือหาเวลาหรือว่าหาโอกาสได้ยาก ที่จะพร้อมเพียงสมคีกันอย่างนี้นะแล้วก็วันนี้เป็นเมื่อวันวันก่อนวันที่ยี่สิบดเป็นวันออกพรรษาวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบแล้วเนี่ยออกพรรษามาได้วันสองวันก็ยังสดสดิส่งๆิ่งเหมือนกันเถอะก็พร้อมกันก็ได้มาดูบังไฟพญายนาคของจังหวัดหนองคาย อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหือหากันมังแต่โบราณโบราณมานานพอสมควรนะเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดกันสมัยนั้นนะแต่ น, นี่เรื่องควางไฟพญานาคมันก็พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นดอกไฟขึ้นมาก็เห็นกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่จะว่าคนลงไปมุดน้ทาทำนะเป็นไปไม่ได้นะใครจะไป มดถึงขนาดน้าพอน้ำมาไหลเซี่ยวนะเก็เป็นมาตั้งแต่นมนานมันก็มีดอกไฟขึ้นมาเป็นระยะวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยมากจะเป็นวันมาะบูชาหรือวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันออกพรรษานี่จะมากกว่าทุกครั้งท่านว่านะพระท่านพูดให้ฟังแต่หลวงปู่ท่านก็ห้ามเอาไว้นะอย่าไปพูดนะว่าเป็นบังไฟพญานา เพราะเหตุไรเพราะว่าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าไฟนี่มันเกิดมาจากไหนเราจะไปพูดว่าบัางไฟพญานาคมันไม่ถูกทัานว่างั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าวัดโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนมาวัดให้มีชื่อเสียงโดง่งดังอย่าไปพูดนะอันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านห้ามาไว้ไม่ใช่ว่าจะพึ่งมีนะอย่างนี้มีอยู่เห็นอยู่แต่ว่าก็เห็นตดอกไฟเท่า น, นั้นเองแล้วก็เห็นก็จบไป ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอมายุคสมัยนี้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าผู้อยากจะเอามาพูดอยากจะมาเห็นอยากจะมาชมอยากจะมาทัศนศึกษาว่ามันเป็นอย่างไรยิ่งคนสมัยยุคสมัยนี้อยากจะพิสูจน์ความลึกลับสิ่งที่มหัศจรรย์และสิ่งลึกลับเกินกว่าวิทยาศาสตร์ จะพิสูจน์ถึงอย่างเนี้ยอย่างที่แม่น้าโขงเนี่ยเขาก็พูดกันไปเขาว่าอาจจะเป็นแก๊สเป็นก๊าซขึ้นมาจากน้ำแต่ก็ตอบได้ไหมว่าเมื่อเป็นแก๊สทำไมมันขึ้นเฉพาะวันออกพรนษาอันนี้ก็ตอบไม่ได้อีกพราะว่างแก๊สมันก็จะขึ้นไม่ไรแต่มันก็ต้องขึ้นมืนดันนำไปธรรมาชาติของมันแต่อันนี้ทำไมมันใครไปบ่มไปเพาะ แก๊สตัวนั้นเอาไว้แล้วมันทำไมมันขึ้นออ ก, กเฉพาะวันนั้นสิ่งต่านี้กับคำตอบก็ไม่ชัดเจนอีกไม่เคลียร์ว่างั้นเถอะเพราะนั้นสิ่งที่ไม่เคลียร์สิ่งที่ยังไม่รู้เราก็ต้องรับรู้รับทราบไว้ก่อนอันนี้คือสุดพิสัยที่จะพิสูจน์ได้ในยุคสมัยนี้แต่ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะมีคนพิสูจน์ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมนะ แต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องว่าพญานาคไปก่อนแต่พญานาคมีไหมพีนี่พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธว่าพญานาคไม่มีอินพรมเทวบุตรเทวดาลุกะภู ม, มะิะเทวดาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธถ้าปฏิเสธเสียงเหล่านั้นถ้า พ, พุทธศาสนาไม่สมบูรณ์พระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ที่พระไตรปิฎกสมบูรณ์อยู่ทุกวันนี้ก็เพาะมีนิพพานพรม เทวดาภูมิมลุขะพญานาเปรตนรกมีจึงจะสมบูรณ์ในพระไตรปิฎกหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่างอันตรายว่าพระไตรปิฎกจึงจะสมบูรณ์ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธยะแต่ถ้าว่าตัดเทวดาออกตัดนาคออกตัดอินตัดพรหมออกซาดหนา้าชาตินาา ตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีอันนี้แปลว่าหลักของพุทธศาสนานี่หมดเลยอันนั้นพราะนั้นจึงบอกพญานาคมีไหมในหลักของพุทธศาสนามีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญานาคอยู่ที่เมืองนาคห น, นีความสับสวนวุ่นวายเพราะธรรมดาเป็นเจ้าเป็นนายคนเป็นพระเจ้าเป็นดินของคนก็ต้องมีเรื่องป้องรำขับร้องสัมาเลเทเมา สรุสนมนาเร่ขับร้องท่านก็ห น, นีความวุ่นวายขึ้นมารักษาศีลในเมืองมนุษย์จนหมองูไปจับออกมาเล่นละครในชาตินั้นแต่ท่านมีอำนาจด้วยฤทธิ์นะพญานาคมีฤทธิแ์แต่เป็นประเภทสัตว์ติรได้ฉานแต่เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีอำนาจต้นตระกูลของอสรพิษทั้งหลาย แต่พระพุทธองค์สมัยนั้นเป็นผูริทัตท่านบอกว่าถ้าหากว่าท่านกรอดขึ้นมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมามองดูเท่านั้นแหะไอ้หมองูนั่นก็แบบปลว่าถูกไฟค อ, อกทันทีเลยเป็นขี้เท่าทันทีเลยแต่พระพุทธองค์ไม่ทําอย่างนั้นท่านรักศีลยิ่งกว่าชีวิตในชาตินั้ น, นที่เป็นผูริทัตตะูริทัตโตนะ ที่หลวงปู่มั่นที่ว่าหลวงปู่มั่นภูริตโตนั่นก็คือเอานามฉายาของพญานาคของพระพุทธเจ้ามาตั้งชื่อชื่อนามฉายาของท่านสมัยนั้นเป็นนาคราชชื่อภูริตโตภูริตตะเนี่ยอันนี้ก็คือในชาตินั้นพระองค์บำเพ็ญศีลอันยอดเยี่ยมรักศีลยิ่งกว่าชีวิต ถึงตัวจะตายก็ไม่ยอมให้ศินขาดเรียกว่าศีลศิลปปรามิปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควารักศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตศีลอุ ป, ปปรามีศีลปรา ม, รามีรักษาศีลตามทํานองครองทำได้บ้างเสียบ้างศีลปรามีสัมปมันโนศีลอุ ป, ปปรามีแปลว่ารักษาศีลเข้มงวดขวดขัน รักษากายวาจาให้เรียบร้อยรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รักษาีศีระประมาทารมีรักศีลยิ่งกว่าชีวิตไม่ยอมให้ศีลขาดอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นพญานาคมาแล้วนะเพราะนั้นเรื่องพญานาคกับมนุษย์หรือว่าความเป็นอยู่เนะี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันมาแต่ในรั้งพุทธกาล คาว่าบวชนาคบวชนาค ก, ก็เ่นเดียวกันนะอันนี้กับพวกนากเขามาปลอมเป็นคนแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาพระสงฆ์แลก็บวชให้พอบวชให้แล้วนาคตัวนั้นก็กลายในขณะที่นอนหลับนาคจะกลายเพศได้ทว่นิรมิตเป็นคนได้นิรมิตเป็นอะไรก็ได้เพราะเขามีอิทธิฤทธิ์แต่ว่าขณะที่นาคนอนหลับ จะกลายเป็นนาคทันทีจะกลายเป็นงูใหญ่ทันทีอ่ยอันนี้ก็คือเป็นคติหรือว่าเป็นเรื่องราวในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการอันนี้พระองค์นั้นบวชเข้ามาแล้วก็คือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอบวชพระสงฆ์ก็ให้บวชเพราเป็นมนุษย์พอบวชก็แล้วพระองค์นั้นก็ห่วงนอนเป็นนอนในห้อง พอในห้องพอนอนหลับ ก, ก็ไปก็เป็นงูเหมือนกันเป็นงูพระสงฆ์ก็ทํากิจกรรมซักผ้าอะไรก็ไปเปิดในห้องนั้นดูเพื่อจะเข้าไปดูห้องนี้มีอะไรพอไปเห็นงูเต็มห้องแล้วมัน้นกันร้องเกี้ยวเจ้าขึ้นมาพระสงฆ์ก็ลุ่มกันไปงูที่ไหนอไปดูเห็นพระองค์นั้นนั่งจุกปุกอยู่พระนั้นก็บอกว่าผมเลยแล้วครับเอ้าท่านเป็นงูได้ยังไงถ้าเป็นพระท่านก็บอกท่านเป็นพญานาคท่านเป็นนาคเหมือนกัน พระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลบอกภูติเจ้าภูตเจ้าก็เรียกพระองค์นั้นไปบอกว่าศาสนาของเราตถาคตนี่บวชสัตว์ติราชานไม่ได้เพราะเธอถึงจะเป็นเทพก็จริงอยู่แต่เป็นเทพพรหนักในตระกูลของสัตว์ติราชานเป็นเทวราอินพรมบวชในศาสนาของตถาคตไม่ได้ศาสนาของตถาคตมีแต่มนุษย์เท่านั้นบวชจากนั้นก็พระองค์ก็ให้ลาศิกขาไป อันนี้คือเป็นประวัติในหลักของพุทธศาสนามาเหมือนกันนะแล้วจะสมัยนึงอีกในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัจจปะมีพระองค์หนึ่งนั่งเรือไปริมแม่น้ำพอไปแล้วเรือมันจะล่มเรือมันจะคว่ำพระองค์นั้นก็ไปคว้ายอดใบตะไคร้ต้นตะไคร้น้ำาหละ ที่มันอยู่ในเกิดในริมน้ำเต็มมือแลว้วเพราะงั้นเลือมันจะล่มใบตะไคร่ก็เลยขาดกับมือตัวเองพอขาดกับมือตัวเองท่นี้ก็เลงคิดอยู่ว่าเออเราเนี่ยได้คว้าใบาตะไคร่มาโดยที่ไม่เจตนาคือภิกษุพลากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตีแต่พลา์นั้นไปคว้าใบาตะไคร ในฝั่งนะ้ำมันขาดเต็มมือมาเลยว่าเงินเพราะเรือมันจะล่มแต่นี้เขาก็ตั้งใจเอื้อต่างว่าเราได้พบได้พบกับพระภิกษุเป็นผู้มีศีลเสมอกันเราจะแสดงอาบัติแสดงอาบัติคล้ายๆว่าให้ตัวเองบริสุทธิ์ว่าผมไม่มีเจตนาผมจะสํารวมระวังต่อไปจะไม่ไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกผมจะสํารวมระวังต่อไปแสดงอาบัติคล้ายๆว่า สัปดาแล้วบอกให้แก่พระสองฆ์องค์ตรงนั้นผมเป็นอบัติปาจิตีนะเงสิข้าบทนั้นแล้วก็ต่อไปผมจะสํารผมระวังต่อไปผมจะไม่ทําอีกครับอ่าได้เข้าบอกกล่าวให้องค์ที่รับทราบ แ, แ, บบแสดงอาบัตอันนี้องค์นั้นท่านก็คิดว่าถ้าไปเจอพระที่มีศีลเสมอกันท่านก็จะแสะดงอบัตให้องค์นั้นรับทราบว่าตัวเองได้ ความใบตะไครขาดมากับมือแต่ตอนนี้ท่านอายุยืนมากในสมัยนั้นอายุยืนนึกสองหมืปีนะท่านก็หาพระที่จะแสดงอาบัติไม่ได้เพราะท่านอยู่ตามลาพังในป่าในดงนะตอนนี้พอท่านจะตายมันก็นจะมรณาภาพนะท่านก็ภาวนาไม่ได้สาเร็จมักสำเร็จผลในชาตินั้นนะพอท่านจะตายไปเนี่ยเป็นบุพนิมิตใบตะไคร์น่ะ ในที่ท่านขาดกำมือให่ท้งมันคล่องอยู่ในใจของท่านอยู่ตลอดนะอย่ามันคล่องอยู่ในใจนะถ้าบริภบกับพระท่านจะแสดงอาบัติอย่างนี้ตอนนี้ท่านก็คิดอยู่ในใจถ้านเขาไม่ได้แสดงอาบัติพอใจท่านจะขาดใบตะไคร่น่ะมันเหมือนกับมาพันที่มาพันที่คอของท่านเหมือนกันจ้ะคล้ายๆว่าใบตะไคร์มาพันที่คอเป็นสัญลักษณ์จากนั้นท่านก็โอ้ตายเรายังไม่ได้แสดงอาบัติเลยใจเราจะขาดเราจะตายไงในละพอใจขาดป๊อในช่วงนั้น ทั้งที่ท่านจะไปสู่สวรรค์ท่านก็เลยไปเกิดเป็นเป็นนาคเป็นเท พ, พนาคหรเป็นนาคนีอันนี้ก็คือเรื่องของพระวินในที่ตนแบบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อันนี้ก็พวกเราควรจะคงจะรับ ร, รู้รับทราบว่านาคมีจริงในหลักของพุทธศาสนาแ่าครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่มันหลวงปู่ชอบอะไรก็ตาม ที่ท่านประวัติของท่านท่านภาวนาไปท่านก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียว่าสิ่งลี้ลับหมูนี้เป็นของธรรมดาถ้าไม่ได้ตื่นเต้นตนกอะไรเพราะมันมีมนุษยชาติของเราันนี้แหละสัตว์ที่ฉาญนานาชนิดช้างมาบัวควายหมูหมาเป็ดไ ก, ก่นกหนูปูปีกอะไรมดมแมลงอะไรมีครบหมดในโลกเนยะแต่นอกจากนี้ไปมันมีอีก ภูมิมะลุกขะอาการสถาธาเทวดาเทวดาชั้นต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องของวิญญาณเรื่องของใจที่ตายออกจากร่างไปแล้วเป็นไ ด, ได้หลายอย่างอันนี้ก็วันนี้เป็นที่ฮือฮากันก็คือเรื่องพญานาคคนมาทางอีสานมามาก มาดูปังไฟพญานาคของลํไาไม้น้ำโขงว่ า, างั้นเถอะได้มาพูดถึงวันออกพรรษาเด็ดเมื่อวันที่ยีิบแปดวันออกพรรษาวันปวารณาตามไม่จริงวันปวารณาเป็นเรื่องของสงเป็นเรื่องของพระสงฆ์เมื่อจําพรรษาครบบริบูรณ์สามเดือนแล้วออกพรรษาจะจะมีต้องมีการปรวารณากันการปรวารณานั้น ในครั้งร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมัญญะวิเัยอันนี้ถ้าว่าไม่เปาา่าภาวาท่านก็ปรับอบัติทุกข์ขาดศีลไปเหมือนกันแต่พระพุทธองค์ก็ป่าภาวนาเรียกพระสงฆ์มาให้มาพร้อมกันวันออกพรรษาหรือว่าวันออกพรรษาเป่าภาวนาเมื่อพระสงฆ์พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าก็ป่าภาวาในสงดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นตถาคต การกระทําของตถาคตด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีสงสัยในใจก็ดีที่ว่าตถาคตคิดไม่ถูกขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวเราได้เรายินดีรับฟังอันนี้พระพุทธเจ้าประกาศอย่างนั้นภาษาริบุตรนั่งกระยมปนมมือกับผู้พระองค์พระพุทธองค์เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างพร้อมทุกอย่างกายวาจาของพระองค์ใจของพระองค์บริจุทธิ์เป็นสยามผูรู้แจ้งโลก ไม่มีที่ไหนที่จะตำหนิไม่มีที่ไหนตรงไหนที่จะว่ากล่าวตักเตือนพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์จงว่ากล่าวตักเตือนข่าพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์ด้วยเทินอันนี้ก็คือพระสารีบุตรพระพุทธองค์ว่าอาจจะมีเพราะนั้นเราจึงได้ปวารณาอันนี้จากนั้นก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายปวารณากันตามลา ด, ำดำับที่มานั่งรวมกันสร้างคำพันเตปวารเรมิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา วัดดันตุมังอาจะสมันตัวอนุกรรมปังอุปาไายาปัจสันตัปฏิคริษสามิสมจกตุติตติอันนี้คือพระสงฆ์ที่มาประชุมในวันนั้นต้องพูดทุกองค์พูดทีละองค์พระองค์ละองค์ละองค์อย่างวัดหลวงพ่อนาะยุปีนี้จําบรรษา32รูปหลวงพ่อก็พูดก่อนประวารณาในสง์จากนั้นก็องค์รองลองไปก็พูดจนองค์สุดท้ายนะประวารณา พวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทาของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีรังเกียิทางจิตใจว่าผมคิดไม่ถูกมิเป็นมิตรชาทีทีทางจิตใจก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและจะได้ปฏิบัติตามที่ท่านทั้งหลายเห็นในจุดนั้นั้นถ้าเขาเห็นผิดเราก็จะได้บอกว่าเออจุดนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น จะต้องอ้างเหตุผลให้ทุกองค์ได้รับรู้รับทราบแต่ว่าเมื่อเขาเตือนมาว่าท่านอาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ถูกท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ถูกทำให้กระทบกระเทือนหรือว่าทำให้คนอื่นไม่สบายใจเราก็จะได้สํารวมระวังต่อไปอันนี้องค์ที่สองก็ปวารณาอีกไล่ไปเรื่อยจนองค์สุดท้ายอันนี้เปลว่าปวารณาในสง่งให้รับรู้รับทราบ เพราะว่าการกระทําของเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีคิดใจใจก็ดีตัวเองว่ามันถูกต้องทุกอย่างแต่คนอื่นเห็นแต่ตัวเองมองไม่เห็นเหมือนกับผงทุลีเข้าตาตัวเองเนี่ยงั้นน่ะจับเยื่อเข้าตาตัวเองเข้าในตาทําไมไม่เห็นเพราะมันใกล้เกินไปมันมองไม่เห็นมันอยู่กับตัวเองมันตลอดมันเข้ามาแล้วแต่คนอื่นเอาออกให้ได้เพราะเขาเห็น อันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นคนอื่นก็ว่ากล่าวตักเตือนเราได้ถ้าเมื่อกล่าวตักเตือนแล้วเราก็ยินดีรับฟังเหมือนกับคนอื่นชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราเราก่อนรับฟังจากหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเป็นใครก็ตามชี้ความผิดของเราด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดี คนนั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราท่านไม่ให้โกรธนะไม่ให้โกรธบัณฑิตแล้วจะไม่โกรธ ถ, ถ้าคนอื่นตักเตือนชี้ความผิดของเราให้เราได้รับรู้รับทราบเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราวันนั้นก่อนที่คนที่จะชี้ขุมทรัพย์ก็ต้องตัวเจตนาดีหวังดีไม่มีอะไรเครือบแฝงไม่ได้หวังหลับหวังยศไม่ได้หังซื่อเสียงไม่ได้หวังองด ว, งวดอ้างว่าตัวเองฉลาด ตักเตือนครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดด้วยเจตนาดีว่าจะทํำยังไง ห, หมู่พวกเพื่อนวงการพุทธศาสนาจะก้าวไปได้ไกลพวกเราจะเดินไปด้วยกันด้วยดีอันนี้ก็คือเจตนาดีเจตนาอันบริสุทธิ์รู้จักการเทศะบุคคลในการว่ากล่าวตักเตือนนะแต่ถ้าผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ก็เตือนด้วยความหวังดี อย่าไปใช้อารมณ์โมโหโทโสูจะไปใช้ความมานะทิฐิท่านอาจารย์ทาอย่างนี้ไม่ได้นะผิดเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เอันนี้คือผิดพระวินัยอีกต่างหากแต่ว่าขอโอกาสครับพันอาจารย์เนาาี่ยท่านอาจารย์ทำอย่างนี้พูดอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะพว ก, กผมว่านะตามไม่จริงท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอ ย, ย่างไงเ่ในการที่พูดอย่างนี้ ก็ผมว่าน่าจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้จะดีไหมครับท่านอาจารย์ลักษณะเชิงปรึกษาถ้าว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่อย่าไปใช้อารมณ์หรืออย่าไปใช้ความแข็งกระด้างถ้าทำอย่างนั้นปรับอบัติทุกคนแก่ผู้น้อยไม่สำรวมไม่ระวังผิดอีกเลยเพราะนั้นการที่จะกล่าวผู้ใหญ่ก็ต้องมีเทคนิควางั้นแต่ผู้ใหญ่กล่าวผู้น้อยก่าวด้วยความ ดุด่าว่าเกา่าอะไรก็ได้พระวินัยท่านอนุญาตเหมือนกับเด็กผู้ใหญ่ก็ต้องมีอะไรก็ต้องดุด่าว่าเกา่าเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กจะไม่ให้ดุด่าว่าเกา่าก็ไม่ได้พูดตามข้อยตามแรงอย่างพระพุทธเจ้าท่านดุพระสงฆ์ในครั้งพระเจ้าก็เหมือนกันดูก่อนพระสงฆ์เราอบรมสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายเราจะไม่อบรมด้วยความทะนุถนอม เราจะทำเหมือนกับนายช่างหม้อตีหม้อให้เป็นลูกตรงไหนควรจะตีแรงตรงไหนควรจะตีค่อยเป็นหน้าที่ของเราตถาคตจะต้องตีหม้อใบนั้นให้ได้ใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยการที่จะแนะนำสั่งสอนสิทธิณนุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นต้องดูเหตุการต้องดูการะเทศะบุคคลถ้าบุคคลอยาก เราจะไปใช้กระดาษทรายขัดไม่ได้มันคดมันโคง้งมันมันไม่ตรงก็ต้องใช้ขวานถากในเมื่อมันละเอียดแล้วเราจะไปใช้ขวานถากก็ไม่ได้แม้ต้องใช้กระดาษทรายขัดอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสยามภูรู้แจงโลกรู้อุปานิัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างท่านไปโปรดองค์โคริมานอย่างนี้ องค์ุลิมานก็ไล่พระพุทธเจ้าพระองค์ว่าหยุดสมณะหยุดหุดสมณะหยุดพระพุทธองค์ว่าเราหยุดแล้วองค์ุลิมานมีแต่เธอเท่านั้นแหะยังไม่หยุดอ้าวทาไมสมณะโกหกทําไมสมณะจึงวิ่งอยู่ทําไมว่าหยุดแล้วเราหยุดในการเบียดเบียนเราหยุดในการฆ่าสัตว์เราวางสัตราทั้งหมดแล้วเราหยุดแล้วองค์คุลิมานก็สํานึกสําเนียดนะโอ้โหใช่พระพุทธองค์พูดถูก แต่เราคิดว่าท่านหยุดให้ท่านหยุดยืนเฉย ๆ, ๆแต่นี่เท่ากับท่านหยุดในการวางสัตราอาวุธหยุดในการทําความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเสียแล้ว อ, อนี่คาพูดคํานี้คําว่ากระเทือนใจขององค์ปริมาณอย่างมากจากนั้นเท่าก็วางด่าพอไปกระพระพุทธใจเจ้านี่แหละการสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีมีหลายเรื่องมีหลายระดับถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธใจเจ้าแล้วในพระไตรปิฎกแล้ว ในแนวความคิดของพระพุทธศาสนาแล้วมีหลายระดับที่พวกเราจะได้นำมาประพุทธปฏิบัติประปรุงแก้ไขตัวของเราที่อยู่ในโลกวัตตะสงสารยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เดียวนี้นะถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบในการใช้ชีวิตประจำวันของพระที่ท่านว่าภาวณาอย่างนี้เหรอ ผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองจังหวัดเป็นผู้ปกครองกรมกองอธิบดีประกาศกระทรวงอะไรก็ตามตลอดถึงอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันหัวหน้าครอบครัวตลอดถึงตัวของเราเองถ้าว่ารู้จักประวัตินาตัวในสำนักงานนั้นๆหรือครอบครัวนั้นๆครอบครัวนั้นๆก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะว่ามีการเปิดกว้างต่อกัน อย่างวันพ่อหรือวันแม่วันที่5ธันวาหรือวันที่2 ส, งสิงหาอย่างนี้แอ่พ่อกับแม่ทานอาหารลูกเต่าพร้อมหน้ากันแง่พ่อก็ประกาศเออพ่อได้ทําสิ่งใดที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็พ่อยินดีรับฟังลูกๆนะทั้งแม่บ้านทั้งตรงไหนอกหนักอกหนักใจก็บอกผมหน่ผมยินดีรับฟังจะปรับปรุงแก้ไขทั้งแม่บ้านก็เหมือนกัน พ่ อ, พอบ้านก็ดีลูกทุกคนก็ดีถ้าเห็นแม่ทําไม่ถูกก็ว่าเก่าวตักเตือนแม่ได้นะแม่ยินดีรับฟังนะลูกทุกคนก็เหมือนกันเออพ่อแม่เห็นหนูเห็นผมจัดกระทําสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องกับพ่อแม่ว่าเกา่าผมรได้นะมุหนูได้นะ อ, อพวกหนูพวกผมยินดีรับฟังและจะปรับปรุงแก้ไขต่อไป ถ้าทุกคนในครอบครัวมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีการเปิดกว้างต่อกันเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้อย่างหลักของพุทธศาสนาที่พระสงค์ราวนากันนหลวงพ่อว่าเป็นผลดีไม่เลวทีเดียวถ้าเราเอาประยุกต์ใช้ในครอบครัวคือพ่อก็ต้องลดทิฐิมานะลงแม่ก็ต้องลดทิฐิลูกก็ต้องลดทิฐิเข้าหากันมีการยืดหยุนต่อกันครอบครัวนั้นก็จะได้รับความ ร่มเย็นเป็นจุกการคิดอะไรการทําอะไรก็มองไปในทางแถวแนวเดียวกันในครอบครัวนั้นจะไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันไม่มีการขัดแย้งกันแต่ถ้าว่าพ่อเขไปตั้งหนึ่งแม่ก็ไปตังหนึ่งลูกเข้าไปตังหนึ่งไปคนละทิศละทางกันมีทหารหลังเขาหาหากันมีแต่คนเก่งทั้งนั้นผลที่สุดก็เลยความหายนะเขาจะต้องเข้ามาสู่ครอบครัวนั้นแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้อง มีการภารวนาต่อกันมีการยืดดุ่นต่อกันหันหน้าข้าวหากันแก้ปัญหาในเรื่องซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราเชาวพุทธทุกท่านนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นับถือพระพุทธศาสนาควรจะนำพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาวิเคราะห์เอามาไตร่ตรองดูเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติจิกาบดเรียว่าบัญญัติ ในการปรวรารณาออกพรรษานี้พระพุทธองค์คิดอย่างไรพระพุทธองค์ประสงค์อะไรทําไมจึงได้ทําอย่างนี้เนี่ยมีความหมายทั้งนั้นถ้าเรานํามาวิเคราะห์หรือนํามาไตรตรองเรื่องเหตุและผลแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือข้อหนึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นผ้าสุกแล้วจะประพฤติปฏิบัติทำก็เป็นไปได้ดี เหมือนกับคนอยู่ในบ้านอยู่ในกลุ่มในคณะด้วยความร่มเย็นผาสุกอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์เงินคำทรัพสมบัติมีใช้ที่จะหันหน้าเขาปมาปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้ดีแต่ถ้าว่าอยู่ครอบครัวก็ย่องย่องเยอะยาะแตกทะลุผุพ่าย ก, กันหาเงินคำทรัพย์สมบัติก็ไม่พอใช้เรื่องรลวาก็ทับถมเข้ามาแล้วจะหันหน้าเข้ามาหาพระ หรือหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือหันหน้ามาภาวนาหรือหันหน้ามารักษาศีลภาวนาลหลวงพ่อว่ามันยากเลยเพราะฉนั้นก่อนที่จะเดินมาจุดที่ได้หันหน้าเขาประพฤติปฏิบัติธรรมได้จุดนั้นก็ต้องราบเรียบราบพื่นมาพอสมควรจากนั้นก่อนหันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขจิตใจจึงจะเจริญก้าวห น, น้าในด้านธรรมะปฏิบัติไปได้รวดเร็วหรือไปได้ไกล เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเดินผ่านมาแล้วนั้นเป็นไปเป็นมาด้วยความราบรื่นเรียบร้อยจากนั้นก็ส่วนเลึกก็คือภาวนาแหะทีนี้อภาวนาก็คือเราจะทำบุญยังไงการทำบุญนั้นไม่ใช่ว่าจะควักเงินออกมาหรือว่าทำบุญออกมาเป็นบุญเป็นกศุศลเราคิดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะการทำบุญในพุทธศาสนานั้น มีหลายวิธีให้ทานนั่นคือส่วนหนึ่งทา น, นะคือการให้ให้อภัยอันนี้ก็คือบุญกุศลให้ทานเสียสละ เ, เลือดตัวเองอย่างนี้ก็เป็นบุญกุศลให้ทานากําลังช่วยเหลือการงานผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติอันนี้ก็เป็นบุญกุศล ช่วยเหลือพ่อแม่บิดามารดาของเราวงสาคนาญาติของเราอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็เป็นบุญกุศลเราช่วยเหลือสังคมประเทศชาติเป็นครูสอนหรือว่าช่วยเหลือสิ่งที่จําเป็นในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็สมัครเข้าไปไปช่วยเหลือชุมชนสังคมอันนั้นก็เป็นบุญกุศลจากนั้นก็รักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลห้าศีล8ปดศีลอุโบสถ สินสิบสัมมนเนนอันนี้ก็เป็นบุญกุศลภาวนาไหว้พระอ่อนน้อมถ่อมตอนกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์อรหังสัมมาสัมพุทโธนโมตัสสะอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมาชนะเสด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ทําให้จิตใจอ่อนน้อมจากนั้นกับบุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสรรพสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็เป็นบุญกุศลจนภาวนาทํำจิตให้สงบพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ไม่ต้องคิดไปทางอื่นให้จิตนิ่งอยู่ในความสงบอันนี้ก็เป็นท่านจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ในเมื่อเราจิตสงบแล้วลำมาันนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเรียกว่าวิปัสนาแยกแยกแยะดูร่างกายสังขารเออร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราเกิดมาแล้วนี่ยขาสองแขนสองสศีรษะหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้เกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจือในกระดูกแยกแยะส่วนแบ่งส่ว น, วนในร่างกายให้เห็นชัดเป็นส่วนๆของร่างกาย ออร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทำมาเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเป็นของแตกสลายในที่สุดไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งต้องแตกสลายเพราะนั้นความไว้ใจในร่างกายนี้ไม่ควรจะไว้ใจจนเกินไปเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะแกะส่สกว่อนจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นหนุออ่มเด็ก ไม่มีใครรับประกันชีวิตของเราได้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะก่อนจึงจะตายไม่มีใครรับได้เหมือนน้ำค้างใบบัวลมพัดมาเมื่อไรเกลิ่งตกลงไปได้ไง่ายๆชีวิตของเราคนเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นไม่ควรจะหลงไหลในชีวิตของเราในร่างกายของเราอันนี้คือปัญญาพิจารณาทบทวนจากนั้นก็เมื่อไม่หลงร่างกายตัวเองว่าร่างกายเป็นของเรานะ เราก็ไม่หลงร่างกายของคนอื่นเมื่อไปหลงร่างกายของคนอื่นไม่หลงร่างกายเราไม่หลงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หลงในโลกวัตะสงสารนี้ทั้งหมดรู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็อันนั้นก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็เป็นผลสุขรู้จักวางตัวทีนี้ไม่ลหลงไหลมัวเมา ก, กับสิ่งเหล่านั้นรู้จักวางตัวจิตใจของเราครับได้รับความเยือกเย็นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแต่วัดภายนอกเราก็ไม่ได้ พูดให้ใครฟังเราทํางานอย่างเต็มที่คนที่รู้คนที่มีปัญญาแล้วจะไม่ถอยหลังสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์ทําสิ่งนั้นให้มากอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของท่านของพระองค์แต่พระองค์พยายามประกาศศาสนาอบรมสั่งสอนเวียนนัยสั์ทั้งหลายให้ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลไม่มีขาดตัวปกพ่อง แต่ส่วนพระ อ, องค์นั้นพระ อ, องค์คิดอยู่เสมอวันณะน้าทางกายเนะี่ยไม่ใช่ตัวตนจะสอนให้คนอื่นฟังด้วยอีกต่างหากไออันนี้ก็เหมือนกันเราส่วนเราเราต้องคิดในใจอยู่จากงั้นแต่ว่าหน้าที่การงานนั้นเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาตัวเองให้รู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละลึคือหลักของพระพุทธศาสนาที่สูงสุด ท่านได้จุดนี้แล้วเป็นว่าไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่อีกเป็นพระอรหันนะถ้าจุดแล้วปล่อยวางทําให้ว่างแล้วหนีจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าอยู่เอาสู่อ่าวากาศของจิตอาวากาศของธรรมแล้วในะพรายนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนนะการบําเพ็ญทานศีลภาวนาไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆสั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันสาวก ท่านเคยดําเนินประพฤตปฏิบัติมานะวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้พูดเบื้องต้นเรื่องทานจากนั้นก็เรื่องพญานาคจากนั้นกับเรื่องออกคันสาปวารณาจากนั้นก็เรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาในการสร้างบุญสร้างกุศลจนถึงพนานาิจารณาถึงด้านปัญญาวิปัสนาเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิด ในวัตฏะสงสารนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้